ตอนคล่อมต่อมีอยู่สมัยหนึ่งที่ฉันได้ไปร่วมกับญาติมิรที่บ้านญาติทุกๆวันพุธในบรรดาผู้ที่ร่วมวงมีสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อคุณละเมียดซึ่งฉันเรียกว่าพี่เมียดเราพบกันทุกวันพุธมีอยู่วันพุธหนึ่งขณะที่เล่นไพ่อยู่มีเสียงมาบอกที่หูฉันว่านี่ช่วยละเมียดเขาหน่อยเขากาลังมีปัญหาเพราะปลูกเรือนกลางสะไปค่อมต่อ แล้วตอเกิดเป็นพิษถ้าไม่ทำพิธีถอนพิษบ้านนี้ใครไปก็อยู่ไม่ได้ฉันได้ยินแล้วก็ยางนิ่งไวรอจนถึงเวลาทานอาหารฉันก็เลือกที่นั่งใกล้กับพี่เมียดพอได้จังหวะฉันก็ถามพี่เมียดขึ้นว่าเออพี่ที่บ้านพี่ตอนนี้ปลูกเรือนกลางสระน้าหรือพี่เมียดมองหน้าฉันอย่างแปลกใจเพราะเขาไม่เคยเอ่ยให้ใครฟังเลย แล้วฉันเองก็ยังไม่เคยไปเที่ยวบ้านพี่เมียดเลยบ้านเขาจะมีสระหรือไม่ฉันก็หารู้ไม่พี่เมียดนิ่งอยู่อึดใจแล้วพูดว่าใช่ใช่เอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงล่ะว่าพี่ปลูกเรือนกลางสระฉันก็ตอบว่าพี่อย่าถามเลยว่ารู้ได้อย่างไรแต่จะบอกให้รู้ว่าบ้านนี้จะไม่มีใครอยู่ได้เลยจริงหรือเปล่าพี่เมียดยิ่งทำท่าง ง, งใหญ่ และร้องขึ้นว่าเออแปลกจริงพี่ปลูกเสร็จมาสองสามเดือนแล้วลองไปนอนก็นอนไม่ได้ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ใจมันหวัดหวาดพิลึกลูกๆพี่นะกี่คนกี่คนไปนอนก็นอนไม่ได้ต้องขนของขึ้นกลับบ้านใหญ่หมดนี่เลยต้องทิ้งว่างไว้เฉยๆความจริงอากาศดีๆเย็นสบายเพราะอยู่บนน้ำแต่ประหลาดจริงๆใครก็อยู่ไม่ได้เ อ, อ๊ะคุณรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าใครๆก็อยู่ไม่ได้เพราะพี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนี่ฉันก็ไม่ได้เล่าว่ารู้ได้อย่างไรแต่ได้บอกไปว่าในสระน้ำนั้นมีตอไม้ตะเคียนเก่าจมน้าอยู่แล้วพี่ไปปลูกบ้านคล่อมต่อ น, นี้ทําให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยกับคนที่ไปนอนพี่ต้องแก้อาถรรพ์ก่อนโดยไปหาพระผู้รู้วิธีถอนอาถรรพ์มาทาพิธีถอนแล้วทาบุญเลี้ยงพระที่บ้านหลังนี้ ต่อจากนั้นกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่อยู่ที่ต่อไม้แล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่จะไปพักอาศัยได้พี่เมียดฟังฉันอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วรับปากจะไปจัดการหาพระมาทำพิธีตามที่บอกต่อมาเป็นเวลาราวสามสี่เดือนได้ก็มีโทรศัพท์จากพี่เมียดโทรมาหาฉันแล้วเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่านี่คุณ พี่ไปนิมนต์หลวงพ่อที่วัดปทุมคงคามาให้ท่านนั่งทางในโดยไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังเลยท่านมองเห็นตอไม้อยู่ใต้บ้านตรงห้องนอนพอดีเลยพี่เลยขอให้ท่านทำพิธีถอนพิษแล้วก็นิมนต์พระมาทำบุญบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแล้วพี่ก็ลองไปนอนก่อนนอนพี่ก็จุดธูปดอกหนึ่งบอกกล่าวเออข่าวนี้นอนหลับสบายจนเช้าเลย นี่พี่กำลังจะขนย้ายสมบัติของพี่มาอยู่บ้านกลางสะนี้แล้วแต่พี่ขอถามคุณหน่อยเถอะว่าคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าพี่ปลูกบ้านกลางสะแล้วก็อะไรต่ออะไรนี่น่ะบอกหน่อยได้ไหมฉันเลยตอบไปว่าบอกพี่พี่ก็คงไม่เชื่อว่ารู้ได้อย่างไรแต่เมื่อพี่ได้ค้นพบว่าเป็นความจริงตามที่บอกแล้วและก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็แล้วไปต่อไปนี้ขอให้พี่อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ที่บ้านกลางสะตลอดไปก็แล้วกันเรื่องนี้พิเมียดไม่ยอมปิดปากในวันพุธต่อมาแก่เที่ยวเล่าถึงเรื่องนี้และเหตุการณ์ที่เป็นจริงต่างๆให้บรรดาผู้ร่วมวงได้รับรู้หมดทุกคนใครๆก็พากันประหลาดใจในตัวชั้นเป็นแถวต่างก็พากันมาถามอะไรต่ออะไรให้ชั้นทํานายกันใหญ่แต่ไม่เกิดผลอะไรเพราะว่าทุกๆเรื่องที่ชั้นจะรู้นั้น จะมาบอกที่หูข้างขวาให้เองโดยไม่เคยถามนึกจะบอกก็บอกขึ้นมาเองทันจึงทํานายอะไรให้ใครได้เฉพาะแค่ที่ได้ยินและได้รู้จริงๆเท่านั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกมากและไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องจริงทุกครั้งฉันเองก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่เลยจบตอนคล่อมต่อต่อไปเป็นตอนใหม่ชื่อตอนฟองเรื่องเช็ค เรื่องนี้เป็นเรื่องของญาติสนิทที่ฉันรักเขามากคนหนึ่งได้ถูกฟ้องทดีอาญาเพราะไปเซส็นสลักหลังเช็คให้เพื่อนฝ่ายเพื่อนผู้ออกเช็คไม่มีเงินก็เลยถูกฟอ้องญาติฉันได้นําเรื่องมาปรึกษาเพื่อจะมาขอยืมเงินไปใช้แทนเพื่อนฉันบอกอะไรกันยืมทีหนึ่งตั้งสี่แสนเรื่องมันไปยังไงไมายังไงเล่าให้ฟังก่อนเขาก็เล่าว่าเพื่อนเขาชื่อคุณเขียน ไปขอยืมโฉนดมาจากผู้ใหญ่คนหนึ่งเพื่อเอามาขายฝากเอาเงินมาจาัดสรรที่ดินแต่ทำแล้วไม่ได้ผลเลยไม่มีเงินไปไถ่โฉนดที่ยืมมาโฉนดก็เลยถูกผู้รับฝากขายริบเป็นของเขาไปเจ้าของโฉนดตีราคาเป็นเงินสี่แสนคุณเขียนออกเช็คให้ญาฉันเป็นผู้รับรองในที่สุดก็ถูกฟ้องเพราะเช็คไม่มีเงินเมื่อญาฉันกลับไป หลังจากที่ฉันขอผัดคิดดูก่อนว่าจะช่วยหรือไม่ก็พอดีเกิดเสียงขึ้นที่หูขวาบอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันติดต่อทนายโจดซิว่ามันฟ้องในกรณีอะไรแล้วค่อยหาทางออกฉันมีเบอร์โทรศัพท์ที่ญาติเขาให้อยู่แล้วทั้งทนายโจดทนายจำเลยก่อโทรศัพท์ไปและก็เจอพอดีฉันก็ถามทนายโจดว่าคุณฟ้องญาติฉันในกรณีอะไร ทนายตอบว่าฟ้องว่าไปยืมเงินแล้วไม่ใช้ที่หูฉันก็สั่งทันทีฉันก็ถามว่าคุณเห็นจำเลยที่สองไปยืมเงินกับตาหรือเปล่าและจำเลยคนนี้เคยเหยียบย่างไปที่บ้านโจดหรือเปล่าทนายตอบว่าไม่เคยฉันเลยได้โอกาสตอบไปว่าถ้างั้นคุณก็แจ้งเทนสนาสีจำเลยไม่ได้ไปยืมเงินโจดสักหน่อยเพียงแต่สลักหลังเช็คแต่คุณฟ้องผิดกรณีนี้ ถ้างนั้นไปสู้กันที่ศาลเพราะจำเลยซึ่งคือญาติถูกฟ้องฐานอาญาส่วนบุคคลแต่โจทฐานอาญาแผ่นดินโจทก็เป็นคนแก่มากแล้วด้วยไปถึงศาลก็ต้องถูกขังเลยคุณจะว่ายังไงเพราะฉันจะให้ญาติฉันสู้ที่ศาลและเมื่อถึงเวลาให้การโจทก็ต้องถูกจับทันทีทา น, นายโจทเงียบไปอึดใจให ญ, ให ญ, ใหญ่ในที่สุดก็ถามออกมาว่าถ้างั้นคุณจะเอายังไงล่ะครับ เสียงที่หูฉันก็สั่งออกมาว่าเอาอย่างนี้ให้เงินสดมันไปสามหมื่นแล้วเขียนเช็คให้มันไปล่วงหน้าสองเดือนอีกสา0หมื่นมันจะเอาไหมฉันก็ถามไปตามสั่งทนายโจย์ขอผัดเพื่อปรึกษากันดูก่อนแล้วจะตอบทีหลังฉันกำชับให้ตอบด่วนมิฉะนั้นฉันจะให้ญาติไปฟ้องค้านว่าโจ์แจ้งเท็จตกลงทนายโจดก็ขอผัดเป็นพรุ่งนี้บ่า ย, ายรุ่งขึ้นไม่ทันบ่าย เพียงก้าโมงเจษก็โทรศัพท์มาแล้วและได้บอกว่าตกลงจะถอนฟ้องและรับเงินตามที่เสนอนัดให้ฉันไปพบที่สำนักงานทนายฝ่ายจำเลยตัวฉันเองไม่ได้มีส่วนอะไรกับเขาเลยแต่ก็ต้องหอบสังขารพร้อมเงินสาม0 0่นเดินทางไปพร้อมกับญาติเมื่อฉันไปถึงก็เห็นคนชื่อเขียนลักษณะเป็นมนุษย์เจ้าเล่ห์มากแต่ญาติฉันยังอุตสาห์ไปพบได้ ทนายโจย์ก็รออยู่พร้อมกับลูกชายโจย์และทนายฝ่ายจำเลยซึ่งอยู่กันพร้อมหน้าฉันได้เอาเงินสดสา0หมื่นออกมาวางบนโต๊ะพลางบอกว่าเอา้านี่ค่ะเงินที่จะให้ตามสัญญาส่วนใช้อีกสา0หมื่นเป็นหน้าที่ของญาติฉันเป็นคนเขียนล่วงหน้าสองเดือนพวกโจ์ขอยฉันเซ็นรับรองฉันก็นึกในใจว่ายังไงยังไงทนายโจดจะต้องเอาเช็คนี้ไปแลกเงินมาก่อนแน่ และคนที่ไปแลกก็ต้องสลักหลังเช็คแน่นอนฉันรู้มาตรการใช้เช็คดีฉันก็ยอมเซ็นรับรองให้แต่ฉันเลือกที่จะเซ็นตรงขอบเช็คลิมสุดด้านบนเลยยังไงยังไงตอนไปแลกเช็คก็ต้องเซ็นถัดลงมาอย่างแน่นอนและตามมาตรการใช้เช็คนี้เขาเอาใช้จากผู้ที่เซ็นทีหลังทั้งเงินและเช็คฉันยังไม่ให้เพียงแต่ให้เห็นก่อนเท่านั้น แต่ทางโจ์จะต้องทำหนังสือลงรายละเอียดตามข้อตกลงพร้อมทั้งสัญญาว่าจะไปถอนฟ้องทันทีในบ่ายวันนั้นเมื่อพิมพ์หนังสือเสร็จเซ็นชื่อทั้งทนายโจทย์ทนายจำเลยลูกชายโจทย์ที่แทนพ่อส่งมาให้ญาติฉันถือไว้แล้วฉันจึงได้มอบเงินและเช็คให้แล้วฉันก็ลุกขึ้นกลับก่อนส่วนญาติฉันก็รอไปศาลพร้อมทนายทั้งสองฝ่ายเพื่อทาการถอนฟ้องต่อไปให้เสร็จสิ้น ในที่สุดทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ฉันคิดทนายโจทย์ก็ได้เอาเช็คไปแลกเงินกับบริษัทเงินทุนแล้วก็ต้องรับใช้ไปเองส่วนญาติฉันก็เสียเงินอีกไม่กี่พันบาทแทนที่จะต้องถูกฟ้องใช้เงินตั้งสี่แสนบาทแต่เป็นเพราะเสียงที่หูฉันแท้ๆช่วยไว้เลยเสียเงินเพียงสาม0 0่นบาทเศษก็จบลงด้วยดีด้วยประการฉนี้เรื่องอย่างนี้ถ้าผู้อ่านจะได้พบบ้างก็น่าจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เรื่องคดีต่างๆและการยื่นฟ้องนั้นโจทย์จะไม่อยู่เหนือเราเสมอไปหรอกถ้าเขาแจ้งหรือฟ้องผิดกรณีดังเรื่องญาติของฉันคนนี้เป็นตัวอย่างซึ่งทาหูฉันไม่บอกฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาญาบุคคลกับอาญาแผ่นดินนั้นผิดกันอย่างไรและก็เพราะเสียงกระซิบแท้ๆทำให้ทั้งฉันและญาติผู้เดือดร้อนเพราะใจง่ายเที่ยวรับรองเพื่อนจึงได้รับความรู้ใหม่ และพ้นวิกฤตการณ์ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อตอนพระเชียงแสนและอู่ทองเรื่องนี้ก็แปลคือมีอยู่ระยะหนึ่งฉันมีความรู้สึกอยากได้พระพุทธรูปปางเชียงแสนและปางอู่ทองซึ่งยังขาดอยู่มาบูชาเป็นที่สุดฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณสิงชุนหะอุไรแกก็พยายามสะหาให้ก็พอดีได้มาองหนึ่ง เป็นพระเชียงแสนสิงหนึ่งเป็นพระสำริษองค์ไม่ใหญ่หน้าตักกว้างประมาณคืบเศษเท่านั้นฉันมีจิตสำนึกอยู่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากแค่เพียงสัมผัสครั้งแรกก็ขนลุกสู้แล้วคุณสิงบอกว่าเจ้าของกำลังขัดสนมากแกเสียดายของแกมากแต่ก็จำใจจริงๆมิฉะนั้นก็ไม่มีเงินจะใช้เลยเจ้าของเขาเรียกสามพันฉันไม่ต่อเลย แต่ขอเอามาบูชาสามคืนก่อนเจ้าของก็ยอมรุง่งคืนลูกสาวฉันซึ่งแต่งงานไปแล้วแต่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกันจะทำบุญบ้านก็มาขอพระองค์หนึ่งจากฉันเพื่อจะไปตั้งในวันงานฉันก็เลยให้พระเชียงแสนองค์นี้ไปตั้งตอนเสร็จงานมีเด็กคนใช้ผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อชูเป็นคนเก็บที่พระ ไม่ทราบยกยังไงพระก็พลัดจากมือตกลงไปยังพื้นซึ่งปูพรมอยู่ตกเตี้ยๆ เ, เท่านั้นเพราะเจ้าชูนั่งคุกเข่ากับพื้นเมื่อเจ้าชูนำพระเมาคืนที่เมื่อเวลาบ่ายพอตกกลางคืนฉันก็ไหว้พระทำวัดเย็นได้มองดูที่พระองค์นี้ด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งและฉันได้บ่นท่านขอให้งานที่ฉันจะไปทาพรุ่งนี้ให้สาเร็จด้วยรุ่งขึ้นฉันก็ไปทาธุรกิจ ก็สำเร็จเรียบร้อยฉันดีใจมากที่ได้พระที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนใจนึกไว้บูชาแต่พอเว้นอีกวันเดียวก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นพระพุทธรูปองค์นี้เกิดมีอาการร้าวที่พระศอฉันใจหายว่าบหมดเลยได้อุ้มท่านมาพิษ ด, ดูให้นึกประหลาดใจเป็นที่สุดเพราะจะว่าที่เจ้าชูทําตกหรือเวลามาคืนก็ยังเห็นเป็นปกติทุกอย่างนี่นะตลอดสองวันที่บูชาอยู่ ก็ไม่เห็นรอยเลยแต่จู่ๆพอวันที่สามที่จะจ่ายเงินก็เกิดรอยร้าวขึ้นมาได้ซึ่งรอยนั้นกว้างขนาดเอาไม้ขีดไฟใส่ลงไปได้เกือบรอบพระสอท่านฉันจึงโทรศัพท์เรียกคุณสิงมาแล้วส่งให้คุณสิงดูคุณสิงหน้าไม่ดีเพราะเก่งว่าเจ้าของเขาจะไม่รับคืนฉันก็เลยบอกคุณสิงว่าพระองค์นี้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านคงไม่ต้องการอยู่กับฉัน คงอยากจะไปอยู่กับเจ้าของเดิมกระมังก่อนคืนคุณสิงไปฉันก็จุดธูปบูชาท่านแล้วบอกท่านว่าลูกไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดหลวงพ่อถึงมีอาการร้าวที่พระสอขึ้นมาเฉยๆถ้าหลวงพ่อต้องการจะไปอยู่กับเจ้าของเดิมเมื่อเป็นมาอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหลวงพ่อจะให้ลูกได้บูชาท่านต่อไปก็ขอให้ได้กลับมา คุณสิงห์บพละหายไปสองวันพอวันที่สามตอนบ่ายๆภรรยาคุณสิงห์ก็โทรศัพท์มาเล่าอย่างละล่ำละลักว่าประหลาดเหลือเกินเวลาเจ้าของเขามารับคืนแก่กลั้นใจแทบแย่แน่ใจว่ายังไงยังไงเขาก็ต้องเห็นรอยร้าวรอบพระสอท่านแต่เป็นที่น่าพิศวงอย่างยิ่งทงั้งๆที่เจ้าของเขารับไปพลิกดูท่านอยู่หลายตลกเขาก็ไม่เห็นรอยร้าวนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็น เพราะลอยร้าวกว้างมากเกือบรอบพระสอเขาพึมพำอยู่แต่ว่าท่านจะอยู่กับผมแน่ๆผมพยายามจะให้เช่าสองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สมไม่มีใครเช่าท่านสักลายคุณสิงสงสารเขาเลยให้ค่ารถไปหนึ่งรบาทแล้วแกก็รับพระกลับไปอย่างปกติที่สุดพร้อมกับพูดว่าทีนี้ผมจะเลิกให้เช่าท่านแล้วล่ะครับท่านคงอยากอยู่กับผมมากกว่า จึงบันดาลให้ไม่มีคนเช่าคุณสิงห์เลยสัมทับไปว่าอย่าเอาท่านไปให้เช่าอีกเลยท่านศักดิ์สิทธิ์มากบูชาท่านและขอโชคลาภจากท่านเถอะแล้วคุณจะได้เองทีนี้มาถึงตัวฉันที่ยังหาพระไม่ได้ก็ดิ้นรนขวนขวายอยากจะได้อยู่อย่างเดิมก็พอดีมีคนแนะนำว่ามีพระอาจารย์คนหนึ่งบ้านอยู่ที่ซอยหลังสวนท่านมีพระดีๆเยอะให้ฉันไปหา เราสองคนหมายถึงฉันและคุณกริตก็ไปหาจนพบท่านอาจารย์คนนี้ได้มอพระมาสององค์เป็นปางเชียงแสนและอู่ทองเช่าได้ในราคาห้า0ันห้าร้อยบาทรวมกันสององค์ฉันแปลกใจมากที่นาทีแรกที่ฉันเห็นพระสององค์นี้จิตฉันบอกทันทีว่าพระเกฉันกระซิบคุณกริตว่าอย่าเอาเลยพระสององค์นี้ไม่ใช่ของแท้หรอกคุณกฤตไม่เชื่อ ดือจะเช่าให้ได้ฉันก็จนปัญญาจึงรับพระกลับมาหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วฉันเป็นคนไหว้พระทุกคำ่ำคุณกริตจะไหว้ตอนเช้าในทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนาเสร็จพอก้มลงกราบพระบัดนี้มีครบทั้งสามปางแล้วจิตฉันก็บอกอยู่คำเดียวว่านี่น่ะกราบพระเกนะเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกครั้ง เป็นอยู่เป็นเดือนเดือนจนชั้นทนไม่ไหวต้องเล่าให้คุณกริดฟังคุณกฤิดก็แปลกใจแต่แกคิดว่าชั้นอุปทานไปมากกว่าทำให้ชั้นชักมีน้ำโหคุณกฤิดเลยตัดสินใจไปเชิญคุณหลวงบริบาลบุรีพันผู้ชำนาญพระมาดูที่บ้านพอท่านเข้าไปที่ห้องพระและหลังจากนั่งดูอยู่สักครู่ท่านก็ชี้ไปที่พระคู่นี้เลยว่าพระทุกองคือดีหมด นอกจากพระเชียงแสนและอู่ทองคู่ที่เช่ามาจากอาจารย์หลังสวนเท่านั้นท่านให้คุณกฤิดยกลงมาและชี้ให้ดูว่าเก๋ยอย่างไรคือเขาสร้างใหม่ก็จริงแต่เขาทำให้มีสนิมและมองดูเก่าที่ใต้ฐานองค์พระถ้าคนดูไม่ชำนาญก็จะไม่มีวันรู้เลยตอนที่คุณหลวงบริบาลท่านชี้แล้วก็พึมพำขอโทษเบา ตกลงเราก็อุ้มพระไปคืนโดยเสียเงินไปฟรีๆห5าพซึ่งถือเป็นบทเรียนตั้งแต่นั้นมาฉันบอกอะไรคุณกฤิไม่เคยขัดคอเลยเพราะเชื่อในจิตสำนึกของฉันดีว่าพูดอะไรแล้วไม่เคยผิดเล่นเอาแกกลัวไปเลยที่สุดฉันก็ได้พระทั้งสองปางโดยไม่คิดฝันจากท่านวิจิตรองเจ้าอาวาสวัดพลับซึ่งฉันไปหาท่านเพื่อไปปรึกษาเรื่องธุรกิจท่านมองทางนายเก่งมาก อยูย่ๆท่านก็ยกพระพุทธรูปออกมาให้สององค์เป็นปางเชียงแสนสิงสองอาสนะเป็นเรือและอีกองค์หนึ่งเป็นปางอู่ทองสมัยอยุธยาซึ่งพระพักท่านอมยิ้มหน้าเลื่อมใสเป็นที่สุดตอนที่ท่านหลวงวิจิตยกพระออกมาให้ฉันขนลุกสู้ด้วยความปิติไม่นึกฝันเลยว่าจะได้ไม่ต้องไปหามีหนําซ้ําหลวงพ่อท่านยังพูดประหลาดอีกด้วยว่า เอา้าคุณโยมที่บ้านยังขาดสองปางนี้ใช่ไหมอาตมาขอมอบให้ไปบูชานะจะได้เจริญสุขฉันกราบท่านด้วยความปราบปลืม้มพอดีมีเงินติดกระเป๋าไป4ี่พันบาทเลยถวายท่านไปหมดเป็นการช่วยท่านทำบุญสร้างโบสถ์ที่โคราชบ้านเกิดของท่านด้วยในครั้งนี้ฉันเลยได้ทั้งพระและได้ทำบุญไปในเวลาเดียวกันและจิตสานึกของฉันก็ยอมรับพระพุทธรูปสองอ ง, องนี้โดยดุษฎี ไม่คัดค้านแต่ประการใดด้วยตอนที่สองหลวงพ่อสีอ่องท่านผู้อ่านคงจําหลวงพ่อสีอ่องที่เคยอยู่วัดเอี่ยมวรนุษย์ได้ก็องค์ที่ท่านเคยให้ฉันสร้างพระประธานองค์แรกนั่นเองหลวงพ่อสีอ่องรูปนี้ได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเลื่อมใสท่านมากพยายามติดตามเสาะหาท่านไปถึงเชียงใหม่แต่ก็ไม่พบแต่ต่อมาภายหลังก็ทราบว่า ท่านได้ไปสร้างวัดอยู่ที่ลำปางอยู่ลึกเข้าไปในป่าถึง8กิโลเมตรและแล้ววันหนึ่งก็ได้เกิดอัศจรรย์กับฉันอีกแล้วกล่าวคือเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2529ท่านกอโทรศัพท์มาและบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะมาบอกและจะมาหาฉันที่บ้านเกือบเที่ยงท่านก็มาพร้อมกับลูกศิษย์ผู้หญิง3ามคนคนหนึ่งถามว่า ที่บ้านคุณมีเจ้าแม่กวนอิมสององใช่ไหมองค์หนึ่งนั่งองค์หนึ่งยืนส่วนองค์ที่ยืนนั้นแต่งชุดขาวใช่ไหมฉันก็ตอบว่าใช่ท่านก็เลยเล่าเรื่องอัศจรรย์ให้ฟังเมื่อคืนนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนพศ2529าอเจ้าแม่กวนอิมองแต่งขาวได้มาบอกท่านในนิมิตว่านับแต่วันนี้ไปจะช่วยโปรดรั์มนุษย์ทั้งหลายที่เจ็บไข้มีทุกข์ มีปัญหาอะไรก็ตามโดยองค์ขาวที่อยู่ในรูปบอกว่าองค์แดงนั้นจะเป็นผู้รักษาโดยให้นำองค์แดงลงแช่น้ำน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถดื่มและทาที่เจ็บไข้ได้โดยให้อธิษฐานก่อนใช้และให้จุดธูปขอพลังจากท่านก่อนหลวงพ่อสีอ่องสั่งกำชับชั้นว่า 1. ให้ถ่ายรูปเจ้าแม่กวนอิมไว้อีกหลา ย, ลายรูป เพื่อแจกแก่ผู้ที่เลื่อมใสและมาขอน้ำมนตไปบูชา 2. ให้นำองแดงลงแช่น้ำทำเป็นน้ำมนตใส่ขวดไว้มากๆเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่จะมาขอน้ำมนพร้อมรูปข่าวแรกฉันจะไม่ยอมทำเพราะเกรงความวุ่นวายจะเกิดขึ้นแต่ท่านสีอองท่านกำชับและบอกว่าคุณโยมต้องทำนะเจ้าแม่กวนอิมท่านจะมาโปรดสั์ช่วยเหลือมนุษย์ที่เจ็บไข้และมีความทุกข์ ใครมารับไปก็ให้อธิษฐานขอตามที่ต้องการฉันจำเป็นต้องทำตามบัญชาของเจ้าแม่กวนอิมเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ชอบมาโปรดมนุษย์อีกทั้งได้เมตตามาบอกในนิมิตแก่ท่านสีอ่องซึ่งอยู่ถึงในป่าลึกให้มาบอกฉันและท่านยังได้บอกกับท่านสีอ่องด้วยว่าเจ้าของบ้านเขาปวดขารีบไปบอกวิธีรักษาให้เขาด้วยเขาจะได้หาย ฉันก็เลยขึ้นมาจุดธูปอารัธนาท่านที่ห้องพระนําองค์ท่านลงส่งน้ำให้องค์ท่านสะอาดแล้วก็นําองค์ท่านลงแช่ในอ่างน้ำกลั่นบริสุทธิ์แล้วตักใส่ขวดให้ท่านสีอ่องไปสี่ขวดของท่านหนึ่งขวดและลูกศิษย์สามขวดส่วนของฉันก็ทดลองดื่มและนำมาทาที่หัวเข่าที่เจ็บประหลาดที่สุดหัวเข่าฉันทุเลาการเจ็บลงได้อย่างอัศจรรย์ ฉันจำต้องเชื่อและปฏิบัติตามคำของเจ้าแม่กวนอิมที่ไปบอกท่านสีอ่องในนิมิตยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยต่อไปนี้ถ้าท่านผู้ใดต้องการจะมารับรูปและน้ำมนต์ของเจ้าแม่กวนอิมซึ่งท่านมีความประสงค์จะมาโปรดสัตว์โดยผ่านฉันก็เชิญได้ผู้ที่จะมาติดต่อขอให้มาเฉพาะวันพุธและวันเสาร์ในเวลาส0บถึงนาฬิกาและขอให้โทรศัพท์แจ้งไปก่อนด้วย ไม่เช่นนั้นฉันก็จะไม่ทราบจำนวนผู้ต้องการว่ามีมากน้อยเพียงใดเพราะถ้าทราบว่ามีจำนวนเท่าใดแล้วจะได้เตรียมไว้ให้พอกับความต้องการและผู้ที่จะมาขอน้ำมนก็ให้เตรียมภาชนะมาใส่ด้วยทั้งนี้ฉันได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าแม่กวนอิมผ่านท่านสีอ่องเท่านั้นหาได้คิดเองไม่ถ้าท่านผู้ใดยอยากจะทราบว่าจริงหรือไม่ ก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามลูกศิษย์ของท่านที่ติดตามมาในวันนั้นด้วยและได้รับน้ำมนตไปด้วยให้โทรศัพท์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้จุดจุดจุดจุดจุจุดชื่อคุณสุทินหรือเบอร์จุดจุดจุดจุดจุดจุดขอพูดกับคุณพูษสดีดูก็ได้ท่านจะได้ทราบความเป็นไปโดยตลอดว่าที่ฉันเล่านี้จริงหรือไม่สำหรับโทรศัพท์ที่บ้านฉันนั้นคือเบอร์จุดๆุดจุด จุ ด, จ, ด, จ, ดจุดุที่ฉันยอมให้เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านในครั้งนี้ก็เพราะมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมาบอกท่านในนิมิตของท่านสีอ่องเพราะตั้งแต่รู้จักท่านมากกว่ายี่สิบปีท่านไม่เคยย่างเท้าเข้ามาบ้านฉันเลยครั้นพอท่านมาในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกท่านก็สามารถบอกได้ถูกต้องว่าที่บูชาของฉันมีเจ้าแม่กี่องค์และสีอะไรบ้างอีกประการหนึ่ง ฉันต้องการจะทราบและเช็คด้วยจิตของฉันเองก่อนว่าผู้ที่มีความประสงค์จะมาขอน้ำมนต์และรูปท่านไปบูชานั้นมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดและจะเลื่อมใสด้วยความจริงใจหรือไม่ด้วยและในโอกาสนี้ฉันก็ขอฝากจดหมายหรือเรียกว่าคำยืนยันเป็นข้อความจากหลวงพ่อสีออกมาให้ด้วยคำยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องปริจิตสัมผัส ข้าพเจ้าได้รับอาราธนามากรุงเทพครั้งนี้เนื่องในวันไหว้ครูที่บ้านคุณโสพลและคุณพุษดีที่บ้านลาดพร้าวซอยร้อยเอ็ดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2529รตรงกับวันพฤหัสบดีแรมห้าค่ำข้าพเจ้าเดินทางมาจากลำปางวันพุธตอนเย็นโดยสายการบินของบริษัทเดินอากาศไทยเมื่อถึงสนามบินดอนเมือง ก็มีคุณโสพลและคุณพุษดีไปคอยรับมาที่บ้านวันรุ่งช้าเวลา9นาฬิกาได้เลิกบวงสวงเทวดาพิธีก็เริ่มขึ้นซึ่งมีผู้มาร่วมพิธีก็ประมาณห0บคนเพราะไม่ได้บอกใครพิธีมาเสร็จสิ้นเอาเวลา 11.30 นาฬิกาข้าพเจ้าก็พักฉันเพนต่อจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมจนถึงเวลา20นาฬิกา รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควรต้องขอพักผ่อนและนอนแต่หัวค่ำตั้งใจจะหลับให้หายเครียดแต่จิตและอารมณ์ก็เกิดเวทนาอย่างหนักในเรื่องธุระการงานที่ข้างค้างอยู่ที่วัดบรรพสถิตคือเรื่องสร้างอาคารนอนให้แก่เด็กนักเรียนอนาถาที่รับไว้จำนวน30คนเกิดกังวลผูกพันอยู่นานจนเคลิ้มหลับจะหลับไปนานเท่าไรไม่ทราบเพราะมันหลับจริง ตอนนี้ก็ฝันว่าบานหน้าต่างทางทิศตะวันออกถูกเปิดกว้างจนมองเห็นแสงสว่างทั่วไปทั้งห้องตัวก็นอนอยู่คิดว่าสว่างแล้วตาเหลือบไปดูนาฬิกาที่หัวนอนตีสามนี่มันยังไม่สว่างก็เคลิ้มหลับต่อแต่มันไม่ใช่หลับคล้ายๆเหมือนจิตเข้าสู่พวังมองเห็นภาพผู้หญิงแต่งตัวขาวๆลอยเข้าๆออ ก, ออ ก, ออกที่หน้าต่างก็เลยดูว่าเป็นรูปอะไร เป็นภาพลางๆคล้ายผู้หญิงในละครจีนแต่งชุดขาวทั้งชุดกล่าวผมไว้จุกใช้มือโบกไปมาหลายครั้งก็เลยเพ่งอยู่นานเอรูปคล้ายๆเจ้าแม่กวนอิมแต่อีกรูปหนึ่งสีมอไม่ชัดนั่งขัดสมาดประนมมือลอยตามวนอยู่หลายรอบข้าพเจ้าก็ลุกนั่งมองความจริงห้องพักนี้ก็ไม่กว้างนักมีประมาณ24ตารางเมตร มองไปที่รูปขาวโปรง่งนึกในใจว่าท่านโพธิสัตว์กวนอิมท่านก็ยิ้มแล้วพูดว่าใช่ท่านกำลังทุกข์ใจหรือถามข้าพเจ้าก็ตอบว่าทุกจริงๆเรื่องไปรับหน้าที่ของผู้อื่นท่านก็พูดว่าอย่าทุกข์และใส่ใจเลยปีนี้ไม่เสร็จคอยปีหน้าก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าท่านเจ็บที่ข้อเท้าหรือข้าพเจ้าก็ตอบว่าใช่ ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เขาทายาให้ว่าแล้วเทพเจ้าองค์นั่งก็เอาผ้าชุบน้าในอ่างที่ท่านเช็ดตรงข้อเท้าให้สามครั้งแล้วพูดว่าเออท่านช่วยบอกโยมลูกศิษย์ท่านสิว่าให้เขาเอาน้ำเทพเจ้าองค์แดงแจกชาวบ้านให้ถึง 84,000 ขวดและพิมพ์รูปแม่แจกอีก8 4 0 0 0พรูปแล้วเขาจะพบความสว่างของชีวิตและจะสาเร็จในมนุษย์พ ก็เลยถามว่าใครล่ะแล้วเจ้าแม่ก็ยิ้มแล้วพูดว่ากอลูกศิษย์ของท่านอย่างไรเอ๊ะอาตมามีลูกศิษย์เยอะแยะจะไปตามหาที่ไหนท่านยิ้มยิ้มแล้วพูดว่าพรุ่งนี้ก็รู้เองแล้วภาพของเจ้าแม่ทั้งสองก็ลอยห่างออกไปทางหน้าต่างความสว่างค่อยๆมืดลงทันทีข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นแต่ยังไม่ลุกคงนอนคิดทบทวนความจาอยู่นาน ข้อตีห้าข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเปลี่ยนผ้าคลองจีวรไปจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมวัดเช้านานประมาณ30นาทีแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมจุดบุรีสูบใจก็คิดถึงเรื่องความฝันคิดไปว่าจริงหรือเท็จแต่พอนึกถึงเรื่องแผลที่ข้อเท้าก็พลิกมารูปดูเอมันหายจริงๆไม่คันไม่แสบ ความจริงแผลเชื้อราที่ข้าพเจ้าเป็นมานานถึงสิบสองปีตั้งแต่อยู่จังหวัดสงขลาตอนนั้นอยู่เขารูปช้างใกล้กับวิทยาลัยครูพอเดินไปบินทบาทต้องเหยียบน้ำเค็มและลุยไปทุกวันจนเกิดเป็นเชื้อรารักษามาตลอดก็ไม่หายไปเอาอยาที่นายแพทย์ทองน่านที่เวทวิสิตลีนิกมาทาก็ทุเลาไปแต่ก็เป็นเป็น ห, หายหาอยู่อย่างนี้ พอนึกได้ว่าเจ้าแม่ทาน้ำมนต์ให้ก็พลิกข้อเท้าดูเออแปลกมันแห้งหายไปจริงๆก็เริ่มอัศจรรย์ใจว่ามันท่าจะจริงที่เจ้าแม่กวนอิมมาโปรดสายวันนั้นพอดีคุณศิรานีมาหาแต่เช้าก็เลยเล่าความฝันให้ฟังว่าฝันแปลกคืนนี้ฝันว่าเจ้าแม่กวนอิมลอยมาหาแล้วให้ไปตามลูกศิษย์ใจก็นึกเลิดไปหลายแห่งแล้วก็มาสะดุดที่คุณอรสา โตสยานนหรืออรสานนบ้านนวสีก็เลยค้นหาเบอร์โทรศัพท์และนมบัตรคุณอรส า, าโตสยานนก็เลยวานคุณผุสดีโทรศัพท์ติดต่อดูว่าอยู่หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าอยู่เลยนัดว่าอีกสองชั่วโมงจะมาพบที่บ้านคุณอรส า, าดีใจบอกว่าขอนิมนต์ด้วยไม่ได้พบกันเกือบ20ปีแล้วถามว่าแก่ลงมากไหมหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นว่าแก่หรือหนุ่ม หลังเพนแล้วหนึ่งชั่วโมงรับแขกที่มาเยี่ยมจากแคนาดาคือคุณสุมาลีคุยกันแล้วก็ตรงไปบ้านนวสีด้วยกันทั้งหมดคือคุณผูสดีคุณศิลานีและคุณสุบินเมื่อหาบ้านพบแล้วก็มีคนมาคอยเปิดประตูให้นั่งรอในห้องรับแขกเวลาห้านาทีคุณอรสาก็ลงมาพบดีใจที่ได้พบแล้วก็คุยกันเรื่องเก่าๆ เ, เมื่อยี่สิบปีก่อนเมื่อจบแล้วก็ถามตรงๆว่า นี่คุณอรส า, าบ้านคุณ น, นี่มีรูปเทพเจ้ากวนอิมหรือเปล่าคือรูปถ่ายขาวๆยืนและสีมมอนั่งมีไว้บูชาที่ห้องพระจริงหรือคุณอรส า, าชักงงตอบกุกกักว่ามีแต่ได้มานานแล้วจะไม่เล่ายาวตามที่คุณอรส า, าพูดจะพูดเรื่องสั้นๆและจบในเวลาสิบนาทีเอาละ่ะถ้าคุณมีพาชั้นไปดูหน่อยคุณอรส า, าก็พาขึ้นไปชั้นบนบ้านก็ไปดู ภาพที่เห็นมันน่าอัศจรรย์ใจจริงที่ว่าเหมือนกับฝันไม่ผิดเมื่อแน่ใจแล้วก็เล่าให้คุณอรสาฟังว่าฉันได้รับคำสั่งมาว่าต่อไปนี้คุณต้องแจกน้ำมนต์ให้ครบ 84,000 พันขวดและพิมพ์รูปเจ้าแม่องค์เท่าหัวแม่มือจำนวน 84,000 รูปแจกเป็นทานคือเอารูปเจ้าแม่องค์นั่งแช่น้าบริสุทธิ์ในอ่างแล้วจุดธู บ, บอกท่านแล้วบรรจุขวดให้ได้ 84% พันขวด ใครเป็นอะไรก็อธิษฐานเอาแล้วมอภูริให้ทุกๆคนที่มารับน้ำมนต์แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในมนุษยภูมิท่านให้ฉันมาบอกแบบนี้คุณทําได้ก็จะเป็นกุศลนะฉันรับหน้าที่มาบอกแค่นี้ให้คุณทําให้ถูกต้องแล้วก็เล่าอะไรต่ออะไรอีกประมาณ20ินาทีก็กลับเรื่องนี้จะเท็จจริงอย่างไรข้าพเจ้าในฐา น, นะเป็นบรรพชิตก็นํามากล่าวให้ทราบตามที่ฝัน แต่ถ้าท่านพิสูจน์ได้ด้วยการได้รับน้ำมนที่เจ้าแม่ท่านพูดว่าจะมาโปรดคนที่กำลังเดือดร้อนตามวาระเวลาแห่งการเวียนมาครบ 2,530 ปีแล้วนี่ก็คงจะเป็นเนื้อนาบุญของท่านผู้ได้รับและผู้ให้ความฝันแห่งจิตอัศจรรย์นี้ก็คงจะเป็นไปตามที่เจ้าแม่ท่านตั้งใจมาโปรดและคงจะช่วยให้คุณอรสาประสบความสาเร็จในมนุษยภูมินี้อย่างไม่ต้องสงสัย ขออำนวยพระโพธิสัตว์เจ้าจงเป็นไปเพื่อความสุขและเพื่อสัจธรรมให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์ด้วยกันทั่วหน้าเทินขออำนวยพรชยะศิริพระครูสมุสีอ่องวัดบรรพสถิตลำปางตอนเจ้าแม่กวนอิมเรื่องนี้แปลกมากทั้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ที่สุดถ้ามิได้เกิดกับตัวเองแล้วจะไม่ยอมเชื่อเลย เมื่อประมาณสิบสิบห้าปีมาแล้วฉันไปหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นเจ้าของรถเมล์สีเทาสายดอนเมืองและเป็นผู้จัดการบริษัทสหายนต์ตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วโดยขายให้กับรัฐบาลไปทำเป็นรถขอสอมออ ก, กอวันนั้นเพื่อนๆไปกันหลายคนก็เลยตั้งวงกันสมัยนั้นเราใช้ปูเสื่อแล้วนั่งกับพื้น บ้านนี้ทางเดินระหว่างห้องรับแขกและห้องทานอาหารเขาเปิดเป็นช่องทั้งกว้างและสูงมาเกือบถึงเพดานก้าความสูงขนาดเกือบสาเมตรฉันนั่งหันหน้าสู่ทางผ่านนี้พลันตาฉันก็เหลือบไปเห็นหน้าของเด็กรุ่นๆคนหนึ่งโผลมาแต่หน้าติดอยู่ขอบทางผ่านอันนี้ฉันก็ร้องเอะอะขึ้นว่าหนูเป็นใครนะ่ะขึ้นไปทาไมเดี๋ยวตกลงมาลงมาซะ ลงมาอย่าปีนอย่างนั้นลงมาฉันพูดพลางก็กวักมืออยู่ไหวๆคุณพยคงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเธอนั่งหันหลังให้พอเธอหันมาทันทีหน้าที่โผอยู่ยกๆก็หายไปเธอก็เลยไม่ได้เห็นเลยถามฉันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรฉันก็บอกตามที่เห็นว่าหน้าลูปไข่ค่อนข้างกลมปล่อยผมลงมาข้างหูทั้งสองข้าง แต่บนสีษะกล้าวผมมุ่นมวยไว้หลวมๆคุณพยงก็เรียกเด็กในบ้านทั้งหลานสาวและเพื่อนหลานสาวที่มาเที่ยวให้มานั่งเรียงหน้าให้ฉันดูหมดทุกคนก็ไม่ใช่สักคนเดียวเมื่อเป็นดังนั้นคุณพยงก็เกิดเอะใจขึ้นมาร้องเรียกฉันให้ขึ้นไปข้างบนกับเธอเธอพาฉันไปยังที่บูชาพอถึงก็ชี้ให้ฉันดูรูปปั้นซึ่งแต่งตัวแบบผู้หญิงจีน รูปปั้นนีเป็นรูปยืนแต่พอฉันเหลือบตาขึ้นมองหน้าฉันตกตะลึงไปชั่วครู่เลยเพราะหน้าของรูปปั้นเป็นพิมพ์เดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อกี้ไม่มีผิดฉันรีบซุดตัวลงนั่งจุดธูปบูชาและอธิษฐานว่าที่เจ้าแม่มาปรากฏตัวให้ฉันเห็นนี้เจ้าแม่มีความประสงค์อันใดก็ขอให้โดนใจฉันไปคิดและปฏิบัติตามที่ท่านต้องการด้วย และฉันก็ขอพึ่งบุญบารมีท่านให้โปรดฉันด้วยเย็นวันนั้นเมื่อฉันกลับถึงบ้านก็เล่าให้คุณกริตฟังเราทั้งสองปรึกษากันและมีความเห็นตรงกันว่าควรจะได้ท่านมาบูชาเป็นดีที่สุดระหว่างนั้นฉันก็ได้เล่าให้เพื่อนฉันคนหนึ่งชื่อคุณประถมให้ฟังถึงเรื่องนี้ด้วยต่อมาเมื่อตอนสายๆของวันหนึ่งคุณประถมก็โทรศัพท์มาหาฉันที่บ้านบอกว่า คุณคะมีคนอยากจะพูดโทรศัพท์ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมสักครู่ก็มีเสียงผู้ชายมาพูดสายบอกกับฉันว่าเจ้าแม่กวนอิมได้ไปเข้าฝันเขาบอกว่าต้องการให้หาคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวฉันอย่างนี้อย่างนี้มีชื่อนำหน้าด้วยอักษรออ่างตัวเขาเป็นอดีตลูกศิษย์มือขวาของหลวงพ่อเบาเอิงสะพานขาว เมื่อเขาได้ฟังจากคุณปถมเขาก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นคือฉันเองพรุ่งนี้เวลา9ก้านาฬิกาเขาขอเชิญฉันไปพบที่ตึกแถวหลังร้านสุริยาสุขุมวิทหน่อยเขาจะรอเพราะจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีรุ่งเช้าเราสองคนก็ไปพบตามบ้านเล็กที่ดังที่บอกก็ได้พบเจ้าของห้องรูปร่างปอมปมสันทัดไม่เตีย้ยไม่สูง เขาก็บอกว่าเขาชื่อทวินเป็นคนยวนบวชมานานมากเพิ่งสึกออกมาเมื่อหลวงพ่อเบาเอิงมรณภาพเขาขอร้องให้ฉันไปหารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมาบูชาให้ได้เพราะที่ท่านมาปรากฏตัวให้เห็นนี้ตรงกับวันเกิดของทางยวนพอดีเขารู้ด้วยว่าเป็นวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์และเขายังบอกอีกว่าท่านต้องการจะมาอยู่ด้วยเพื่อช่วยคุ้มครองฉันให้ฉันรีบไปหา เราสองคนเมื่อออกจากบ้านคุณทวินก็ตรงดิ่งไปเวิ้งนค ร, กรเกษมทันทีหาดูอยู่หลายร้านก็ไม่ถูกใจไปถูกใจที่ร้านนายเตีย้ยทําด้วยอำพันทองซึ่งนายเตี้ยจะเอาหมื่นสองฉันยังไม่ตกลงซื้อด้วยเกรงว่าจะไม่ใช่อำพันทองของจริงคุณกฤิมีคนรู้จักดีคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าของเก่าสอบถามเขาว่า อัมพันธ์ทองแท้นั้นจะพิสูจน์ได้ด้วยวิธีใดก็ได้รับคำตอบมาว่าให้เอาฐานของรูปปั้นทุ ก, กับกระดาษ2ถึงสทีแล้วยกรูปปั้นขึ้นถ้าเป็นของแท้กระดาษนั้นจะติดมาด้วยฉันจึงกลับไปกันใหม่ปรากฏว่าองค์ที่ฉันชอบนั้นเป็นอัมพันธ์ทองแท้ตกลงเลยเช่ามาในราคาไม่ถึงหมื่นแต่ก็ใกล้เคียงเต็มทีฉันปลื้มใจมากที่ได้ท่านมาบูชา โดยรูปปั้นนี้เป็นสีแดงพอส่องกับแสงไฟจะเป็นรุ้งสีแดงฉานสวยงามมากต่อมาอีกเป็นปีๆจำไม่ได้ว่ากี่ปีคุณกลิดล่าออกจากราชการแล้วไปเปิดบริษัทร่รวมกับคนคนหนึ่งที่ตึกชนลประทานซีเมนตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระยะนั้นก็มีลูกค้ามาติดต่อวันๆหนึ่งก็หลายรายมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงดูเหมือนจะชื่อคุณสุนิสา เมื่อมาได้พบคุณกฤิตและกลับไปบ้านแล้วคืนนั้นเจ้าแม่กวนอิมก็ไปเข้าฝันเธอว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงคุณกฤิตภรรยาเขามีภาพบูชาอยู่ภาคหนึ่งแล้วให้คุณสุนิสาเอารูปท่านอีกภาคหนึ่งไปมอบให้เขาด้วยให้ครบสองภาคภรรยาเขาเป็นเทพมาเกิดอยากจะไปอยู่ด้วยทั้งสองภาคตื่นขึ้นมาคุณสุนิสาก็รีบไปที่ลาดพ้าวโฟโต ไปอัดรูปเจ้าแม่กวนอิมกำลังเหาะอยู่ในอากาศมีก้อนเมฆและองค์ท่านยื่นอยู่บนหัวมังกรในหัดถือของหนึ่งสิ่งรูปนี้เป็นรูปขาวดำพอได้รูปก็นำมาให้คุณกริที่ที่ทำงานวันที่คุณกรินนารูปนี้กลับมาฉันมองท่านตรงๆไม่ได้พลังของท่านแรงมากฉันมึงศีรษะไปหมดในวันแรกๆที่ได้มาบูชา ประวัติของรูปเจ้าแม่กวนอิมนี้เล่ากันว่ามีคนผู้หนึ่งนั่งเครื่องบินไปฮ่องกงระหว่างที่อยู่ในเครื่องบินแกก็เอากล้องถ่ายรูปซึ่งเป็นฟิล์มจ่อเข้ากับกระจกหน้าต่างเครื่องบินแล้วก็กดถ่ายดะไปเรื่อยๆจะติดอะไรบ้างก็แล้วแต่เมื่อถึงฮ่องกงก็เอาฟิล์มไปให้ร้านถ่ายรูปล้างฟิล์มเอาเป็นรูปขนาดโพสการ์ดทั้งหมดซึ่งในบรรดารูปต่างๆในฟิล์มนั้นเป็นรูปสีทั้งหมด ยกเว่นรูปนี้รูปเดียวที่เป็นขาวดำเจ้าของฟิล์มปฏิเสธว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเขาแต่ที่ร้านก็ยืนยันว่าอยู่ในฟิล์มเดียวกันจริงๆพอนับรูปก็ปรากฏว่าใช่เจ้าของรูปก็นำรูปทั้งหมดกลับมาเมืองไทยแล้วก็พยายามพิ ด, ดูรูปขาวดำอยู่บ่อยๆเพราะความประหลาดใจและจะเป็นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบเจ้าของรูปก็เกิดตาบอดขึ้นมาเฉยๆ ญาติพี่น้องก็พากันไปหาเจ้าที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต่างพูดเหมือนกันว่าเจ้าตัวได้ถ่ายรูปเจ้าแม่กวนอินติดเข้าโดยบังเอิญท่านจึงให้เขาตาบอด12บสองเดือนและในระหว่างส2องเดือนนี้ให้กินแต่อาหารเจยอย่างเดียวห้ามกินเนื้อสัตว์แล้วพอครบส2องเดือนตาก็จะหายบอดเองผลปรากฏว่าพอครบสองเดือนตาก็หายบอดจริงๆเขาจึงตั้งรูปนี้ไว้บูชา และที่ร้านลาดเผาโฟโต้ก็ได้ถ่ายรูปนี้ไว้บริการลูกค้าที่ต้องการรูปเจ้าแม่กวนอิมเหยียบอยู่บนหัวมังกรกำลังเหาะอยู่ด้วยนี่เป็นคําบอกเล่าจากคุณสุนิสาเทปจริงอย่างไรลองติดตามถามไปที่ลาดเผาโฟโต้ดูกันเองนะคะจบตอนเจ้าแม่กวนอิมตอนต่อไปพระอุบาลีเรื่องนี้ฉันขอนามาเล่าด้วยความปลื้มปิติอย่างสูงสุด เพราะเป็นเรื่องระดับชาติซึ่งฉันเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้ที่ฉันจะมีโอกาสได้รับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างพิเศษสุดเช่นครั้งนี้เรื่องนี้เริ่มจากท่านอาจารย์สีอ่องอีกครั้งซึ่งผมลิกิจได้วนมาหาฉันในทางที่แปลกประหลาดมากแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีอย่างเหลือเชื่อหลังจากวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนพศ2529ที่มีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมายกยก อย่างตั้งตัวไม่ติดหลวงพ่อสีอ่องได้โทรศัพท์มาหาชั้นอีกในตอนเย็นประมาณห้าหกโมงเย็นท่านบอกเรื่องที่ทำให้ชั้นตื่นเต้นและรู้ว่าเป็นสิ่งที่สุดความสามารถที่ชั้นจะปฏิบัติได้ท่านทราบไหมหลวงพ่อสีอ่องบอกให้ชั้นทำอะไรท่านบอกให้ชั้นนั่งสมาธิเพื่อหาหน้าตาของพระอุบาลี ซึ่งได้สร้างคุณงามความดีหลายประการให้กับประเทศสีลังกาเมื่อสี่ร้อยปีมาแล้วเพราะขณะนี้องค์สมเด็จพระสังฆราชได้ค้นหาเพื่อจะสร้างรูปปั้นแล้วนำไปมอบให้แก่ประเทศสีลังกามานานเป็นปีๆแล้วยังหาไม่ได้ฉันได้ปฏิเสธหลวงพ่อสีอ่องไปทันทีว่าทำไม่ได้หรอกคะ่ะดิฉันไม่สามารถถึงขนาดนั้นแต่หลวงพ่อสีอ่องยืนยันเสียงดังว่า อาตมารู้ว่าคุณโยมทําได้มีคุณโยมคนเดียวเท่านั้นที่จะทําได้ตายละสิฉันนึกในใจนี่เราจะต้องรับงานที่เหลือความสามารถของเราแล้วหรือครั้งนี้ฉันจะปฏิเสธยังไงหลวงพ่อสีอ่องก็บอกว่าอย่าทอมตัวไปเลยอาตมารู้ว่าคุณโยมสามารถทําได้เอาน่ะรีบไปนั่งเถอะแล้วส่งข่าวมานะ ฉันหมดทางหลีกเลี่ยงก็จำยอมทดลองความสามารถของตัวเองสักครั้งเพื่อประเทศชาติพอฉันวางหูโทรศัพท์จากท่านก็รีบไปอาบน้ำทำให้ร่างกายสะอาดแล้วเข้าที่จุดทูบก้าดอกอารัธนาบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งที่สถิตยอยู่ต่อหน้าและสถิตยอยู่ณที่ใดก็ตามในจักรวาล น, นี้ว่าฉันได้รับหน้าที่สำคัญยิ่งมาในครั้งนี้ซึ่งใครๆเขาทำและรับใช้ท่านไม่ได้ ขณะ น, นี้องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันมีความประสงค์จะได้เห็นรูปร่างของพระอุบาลีซึ่งเป็นธรรมทูตระหว่างประเทศเราและประเทศศรีลังกาเมื่อ400ปีมาแล้วเพื่อจะได้นำมาเป็นแบบเพื่อหล่อเป็นองค์แล้วนำไปให้ประเทศศรีลังกาดวงพระวิญญาณทิพย์ของท่านจะสถิตอยู่ณนะที่ใดในจกกักรวรรลูกขออันเชิญดวงพระวิญญาณทิพย์ของอดีตพระอุบาลี ได้โปรดมาปรากฏกายให้ลูกได้เห็นเพื่อจะได้เป็นแบบในการสร้างรูปปั้นขององค์ท่านไปมอบให้แก่ประเทศศรีลังกาในฐานะธรรมทูตด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานที่ห้องพระเสร็จแล้วฉันก็เข้าไปนั่งบนเตียงปิดไฟในห้องนอนมืดหมดเพียงชั่วระยะเวลาสั้นนิดเดียวอย่างมากไม่เกิน20สบนาทีก็ปรากฏภาพพอฉันเห็นฉันก็ถามว่าท่านเป็นใคร ท่านตอบว่าพระอุบาลีไงล่ะฉันถามอีกว่าใช่ท่านแน่หรือภาพนั้นก็บอกว่าใช่โดยการพยักหน้าแต่ฉันยังไม่แน่ใจถามอีกว่าท่านไม่ได้มาหลอกนะคะท่านสายหน้าแล้วยิ้มกับฉันฉันจำนาท่านได้ถนัดตาทีเดียวพอท่านยิ้มภาพนั้นก็หายไปฉันรีบกลับจากสมาธิลงมือวาดภาพที่ติดตาไว้พอเป็นหลัก แล้วรีบโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อสีอ่องซึ่งท่านก็ดีใจใหญ่รีบส่งลูกศิษย์คือคุณโสพลซึ่งเป็นช่างวาดภาพเหมือนได้เก่งมากที่ขณะนั้นได้รออยู่ที่บ้านที่ท่านมาพักพอดีและมีคุณเปะบุตรชายคุณหลุยและภรรยารีบบึงรถมาที่บ้านชั้นและได้ลงมือแกะภาพที่ชั้นคอยบอกสัดส่วนให้กว่าจะเสร็จเป็นภาพที่สมบูรณ์ก็ตกห้าทุ่มพวกเราต่างทึ่งกันมาก เพราะพอวาดภาพเสร็จออกมาแล้วรูปหน้าคล้ายท่านเจ้าคุณนอนวัดเทพศิลินเป็นที่สุดอย่างไรก็ตามระยะเวลาถึง400ปีนี้เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าวิญญาณของพระอุบาลีองค์นั้นจะมาเกิดใหม่ในสังขารท่านเจ้าคุณนอนในที่สุดฉันก็ได้ทำสำเร็จอย่างแทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้เห็นได้แล้วจริงๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเมตตาฉันและท่านเล็งเห็นแล้วว่าเป็นความจำเป็นที่ท่านจะต้องมาแสดงองค์เพื่อให้งานระดับชาติชิ้นนี้สำเร็จลงด้วยดีก็เป็นได้ถึงอย่างไรฉันก็ปลื้มใจไม่หยุดในสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับฉันในครั้งนี้เมื่อฉันเขียนถึงตรงนี้คิดว่าจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้เพราะพอลุงขึ้นตอนเช้าของวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน พศ2529นี้ขณะที่ฉันกำลังไหว้พระก็มีโทรศัพท์จากคุณโสพลผู้วาดภาพพระอุบาลีว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารับสั่งออกมากับคนใกล้ชิดว่าภาพขององค์อุบาลีนั้นควรจะเป็นภาพยืนขอให้มองให้อีกทีว่าถ้าเป็นภาพยืนแล้วจะมีลีลาอย่างไรขณะนั้นฉันก็กำลังอยู่ที่หน้าพระอยู่แล้วพอสวดมนต์ทวัด และสวดยอดพระกันใต่ปีดกเสร็จก็เลยนั่งสมาธิและอธิษฐานขอเห็นภาพพระอุบาลีอีกครั้งด้วยเถิดฉันรู้สึกว่านั่งไปได้แป๊บเดียวท่านก็มาปรากฏในรูปของพระสงฆ์คลองจีวรและมีอะไรคาดที่พุงด้วยมือซ้ายท่านถือไม้เท้าแล้วเอามือขวายื่นไปกลุมทับมือซ้ายที่กุมไม้เท้าอีกทีฉันเห็นไม้เท้าชัดเจนลักษณะคล้ายไม้ไผ่ ข้างบนใหญ่หัวตัดแล้วค่อยๆเรียวเล็กลงตัวไม้เท้านี้เป็นปองๆและมีตุ่มเล็กๆทุกปองท่านมาปลากดครั้งนี้เป็นลักษณะพระสงฆ์ที่กำลังยืนพูดอะไรกับใครอยู่ด้วยถ้าฉันมองเห็นไม่ผิดพอตอนข้ามเวลาประมาณทุ่มครึง่งคณะของคุณโสพลผู้เขียนกับคุณผูษฎีภรยาคุณเปะพร้อมคุณน้าผู้หญิงของคุณปะ อ, อีกสองคนก็มาถึง เมื่อนางลงเรียบร้อยฉันก็เล่าให้ฟังว่าได้เห็นตั้งแต่เช้าแล้วแต่ยังไม่อยากโทรศัพท์ไปเล่ารอให้มาก่อนแล้วค่อยเล่าดีกว่าทุกคนตั้งใจฟังอย่างใจจดจอ่อพอฉันเล่าจบตางก็ร้องกันขึ้นมาว่าตายตายคนลุกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์สุทัศน์ผู้อยู่ใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระสังฆราชได้บอกมาว่าในภาพที่จะปั้นให้อยู่ในลักษณะยืนนั้น น่าจะมีไม้เท้าด้วยเพื่อให้เข้ากับลักษณะของพระที่กำลังเดินทางไปเผยแผ่พระธรรมของพุทธศาสนาโดยมิได้พักอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วนี่ทำไมถึงเกิดมาได้ภาพตรงกับพระประสงค์ของท่านสมเด็จพระสังฆราชเข้าได้เรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นที่สุดตกลงคืนนั้นคุณโสพลผู้วาดภาพก็ต้องหลงมือวาดอยู่ที่บ้านจนตกเวลาห้าทุ่มเศษ จ, จึงเสร็จ แต่ยังไม่สมส่วนตามภาพที่ฉันเห็นซักทีเดียวยังต้องไปแก้อีกนิดหน่อยจึงจะลงภาพจริงได้เพื่อที่จะนําขึ้นถวายองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเพื่อพิจารณาว่าจะโปรดว่าประการใดต่อไปและถ้าท่านไม่ขัดข้องหรือแก้ไขแล้วก็คงจะได้ลงมือทําพิธีปั้นและหล่อภาพเหมือนขององค์พระอุบาลีให้เสร็จสิน้นแล้วจะได้ส่งไปยังประเทศศรีลังกา ในฐานะธรรมทูตระหว่างประเทศต่อไปท่านผู้อ่านทั้งหลายท่านได้อ่านพบเรื่องและเหตุการณ์เช่นนี้แล้วท่านยังมีอะไรแค้่งใจอยู่อีกไหมว่าเรื่องวิญญาณุภาพของจิตตาทิพย์หูทิพย์และจิตทิพย์นั้นมีจริงๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จงอย่าดูถูกผู้มีอนุภาพทางจิตและผู้ที่สามารถเป็นสิ่งลึกล้ำที่บุคคลธรรมดาหรือแม้แต่พระสงฆ์ ก็ไม่สามารถจะเห็นได้นอกจากบุคคลที่มีบา ร, รมีจริงๆอนุภาคของพลังจิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีจิตอันบริสุทธิ์สะอาดและมีสัตธรรมอันเหนียวแน่นรักษาศีลอย่างเคร่งครัดไม่พูดปดไม่มีใจเป็นศัตรูกับผู้ใดใครทาให้เจ็บช้าจะด้วยคาพูดหรือการกระทาใดก็ตามแทนที่จะคิดร้ายตอบ กรับแผเมตตาไปให้เขาเอาโหสิกรรมให้เขาวางจิตเป็นอุเบกขาไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นไม่โกรธและจะต้องมีคติประจำใจไว้เสมอว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าคนที่มีความโกรธมักจะไม่มีสติความโกรธครอบงาจนหน้ามืดตาลายการกระทาหรือกิริยาวาจาที่ปล่อยออกมาก็จะทาแบบคนโง่ผิดผิดและไม่ควรจะทา ถ้าคนนั้นไม่มีสติและถ้ายิ่งโมโหหนักขึ้นอาการกิริยาก็จะแสดงออกมาไม่ผิดอะไรกับคนบ้าเพราะขาดสติใครก็ตามถ้าปล่อยจิตใจให้เป็นไปดังกล่าวนี้จะถือว่ายังแหวกว่าอยู่ในกิเลสซึ่งกิเลสจะพาไปสู่ความประมาทและความประมาทคือทางที่จะนําไปสู่ความหายนะและความหายนะนี้ก็จะนําพาเราไปสู่เลขศูนย์คือความหมดสิ้นว่างเปล่า ไม่มีพลังอะไรเหลืออยู่เลยผู้ใดยังปล่อยใจให้แวกว่ายอยู่ในกิเลสตัณหาไม่ยอมรับฟังเหตุผลของผู้มาเตือนท่านงตนว่าเป็นผู้รู้จักโลกดีในโลกนี้คนจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของเราเองตราบใดที่ยังคิดแบบนี้ผู้นั้นก็จะเปรียบเสมือนบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำไม่มีวันจะโผล่ขึ้นผิวน้ำเพื่อรับแสงตะวันได้เลยและผู้ใดก็ตาม ถ้ามีจิตอันไม่บริสุทธิ์ไปหลอกลวงเสแสร้งต่อผู้มีจิตเป็นสัจธรรมเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของตนก็ตามแม้ผู้ที่ถูกหลอกจะไม่ถือเป็นโทษเพราะจิตเป็นอุเบกขาเสียแล้วแต่กรรมก็จะต้องกลับมาสนองไม่เกิดกับตัวเองก็จะเกิดกับครอบครัวของตนเข้าสักวันหนึ่งจนได้และผลแห่งบาปกรรมนี้จะหนักเบาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทาเบื้องต้น ที่ตนไปก่อไว้อย่างแน่นอนสำหรับตัวฉันเองเวลานี้ฉันมุ่งหน้าอยู่อย่างเดียวด้วยการพยายามทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้และหลังจากได้รับรู้และเห็นพระอุบาลีซึ่งมรณภาพไปนานตั้ง400ปีมาแล้วได้อย่างชัดเจนถึงสองครั้งสองคราจิตก็ยิงมุ่งมันที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้ น, นไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะถือว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาโลภโมโทสันปฏิบัติตนไม่อยู่ในศีลในสัจธรรมแล้วตัวฉันก็คงไม่สามารถได้เห็นองค์พระอุบาลีได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เป็นแม่นมันยังไรก็ดีฉันก็ไม่เคยทะนงตัวและไม่เคยลืมตัวหรือหลงตัวเองว่าวิเศษกว่าผู้อื่นผู้ใดเลยแม้แต่จิตยังแคลงใจอยู่เสมอว่า เราเป็นไปได้อย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร